เราฟังในเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นเกิดความเข้าใจจากคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญมากอันดับแรกต้องให้เกิดความเห็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนับตังรัวทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบาปมีไหมบุญมีไหมแต่ทำบุญแล้วได้บุญไหมได้กุศลไม้มเหล่านี้เป็นต้นต้องได้ยินในฝฟัง ย่วนำไปพิสูจน์หลักทั่วไปที่เราได้ยินใด้ฟังว่าพันปารลบในเรื่องวาการที่คนเราทุกคนเกิดมาแล้วจะมาเป็นใครก็ตามเป็นชายเป็นหญิงที่มาเกิดมาก็ต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลอดีต ที่ได้ทำมาแล้วส่งมาให้เป็นคนที่มีบุญมากตามหลักว่าบุคคลผู้มีทานอเมยเคยบริจาคทานมาแต่อดีตบุคคลผู้นั้นยอมได้โภคะน่ามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดสวรรค์ได้โภคะไม่ต้องไปหายากได้เลยอย่างไปสวรรค์ก็มีปราสาทมีวิมานมีของที่เป็นทิพย์ทิพย์ทต้อนรับไปแล้ว เราเข้าไปเกิดในนั้นเลยในสวรรค์ในวิมานนั้นที่มันมีอยู่แล้วที่ส่วนที่เป็นมนุษย์นี่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดในประเทศที่ดีที่ว่าประเทศสมควรที่บริจาคมรัสบว่าเป็นประเทศสมควรประเทศที่มีคนดีประเทศที่มีพุทธศาสนาประเทศนั้นนั้นสถานที่นั้นมีคนชั่วน้อย แต่ว่ามีคนดีมากยอา่อเข้าไปมกคลผู้ได้บริจาคทานดีแล้วแต่ด็เกิดในฐานะตระกูลของพ่อแม่ที่ดีของพ่อแม่ที่มั่งคั่งหรือทรัพย์โกลค่ะและพ่อแม่ดีญาติพี่น้องก็ดีทั้งนั้นอันนี้อาศัยบุญกุศลข้างหลังนะส่งเสริมมาให้เป็นอย่างนั้น อันนี้ถ้าเก่าถึงว่าบุญกุศลที่ได้มีได้เป็นเป็นอย่างนั้นว่าได้พูดคะว่าเรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องทำปัจจุบันได้เกิดผลแต่ท่านว่าถึงเรื่องอดีตว่าบุคคลผู้นั้นได้เคยได้ให้ทานมาแล้วได้ทําความดีมาแล้วจ้ำได้ได้รับผลอย่างนั้นอันนี้ไอ้หลักอันนี้แหละจึงเป็นเหตุให้บางพวกบางเหล่า เกิดเข้าใจผิดเอมนุษย์ทั้งหลายนะมีชาติอดีตไหมชาติอดีตได้เป็นอย่างนั้นเป็นจริงไหมันเป็นเกิดสงสัยพวกชอบคิดในางไรต่างๆกานนี้มาถึงปัจจุบันอีกอันสอนว่าเอ้าให้ทานนักษาศีลต่อไปก็จะได้รับผลภายหน้าคือได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสมบัติด้วย อันนี้เราก็ได้ยินในฝังที่ท่านสอนที่ท่านแนะโดยมากก็เรียกว่ารับคําสอนมาจากพระพุทธเจ้าพาระลาหนาทั้งหลายเห็น ท, ทาวาทพานว่าไววรรกสวรรค์ท่านท่านเหล่านั้นไปรู้ไปเห็นมาแล้วท่านจึงมารับรองรับรองว่าสิ่งนั้นมันมีอย่างนั้นคราวนี้ไอ้พวกเราก็ได้ยินในฝังกัน ฟังจากท่านแต่ว่าพวกเรายังไม่เห็นยังไม่ไปเห็นนะที่ท่านว่าไว้ก็เลยเกิดสงสัยว่ามันมีจริงไหมนะล่ะหรืวามีนรกมันมีไหมสวรรค์มันมีไหมมนุษย์ทั้งหลายตายไปแล้วไปเกิดอีกไหมนี่เป็นตอนเกิดความสงสัยทีนี้เมื่อเกิดความสงสัยแล้วพุทธิจา ก, ก็สอนว่า ให้พิสูจน์วิจารณ์วิจัยไม่ใช่เพียงเดีจะไปไปหาความรู้จากตำหนับตำราเขียนตำหนับตำร า, าไม่เจอไอ้เขาอ่านพระไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกก็ไม่หายสงสัยจะหายสภาวะนรกมีมไหมสวรรค์มีไหมอย่ า, ายสงนี้เป็นต้นอา่านเท่าใดใดก็มาหายสงสัยมีแต่ท่านเล่าไว้เพราะนั้นประบุคคลผู้นั้นแต่ว่าเรื่องพิสูตร ผู้หญิงคนนี้ได้บริจาคทานแล้วตายไปแล้วได้ไปเกิดสวรรค์หรือว่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งใส่ข้าวตอกเอาเข้าวตอกไปใส่บาทให้พระหมากัะจะปะพอใส่เสร็จสมแล้วก็กลับที่พักก็ถูกกูกับตายพองกูกัดตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์นู่นก็ได้วิมานทอง ในที่เขาแก่นี่ยมันมีแต่เครื่องประดับประดามีแต่ข้าตอครั้งนั้นอันนี้เราได้ยินได้ฟังก็ฟังฟังว่าท่านว่าไว้อย่างนั้นตำรับตำราท่านว่าอย่างนั้นจะไปเห็นตามท่านก็ยังไม่ได้ถ้าจึงให้เราพิสูจน์เนี่ยวะหลักการพิสูจน์ต้องให้สามารถสร้างใจของเราเนีให้เกิดสมาธิหรือสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแก่ใจให้ได้ ถ้าใจมาสามารถให้คุณธรรมข้อนี้เกิดขึ้นแล้วความสงสัยก็มีอยู่อย่างนั้นไม่หายสงสัยเพราะใจของเรายัางไม่เข้าถึงเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังก็เรีกว่าอาศัยความจำความเข้าใจา ม, มาธรรมะอย่างนั้นมีเข้านั้นเท่านี้เราก็ได้ยินได้ฟังเราจำไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ได้ฟังคราวนี้เราไม่เห็นแก่นแท้เข้าถึงแก่นแท้พุทอยาสอนว่า ให้เข้าถึงธรรมก่อนไม่ใช่เพียงรู้ธรรมถ้าเพียงรู้ธรรมยังไม่หายสงสา ร, รคนเรียนเรียนมากรู้มา ก, เ ร, ากเรียกว่ารู้ธรรมไม่ใช่คนมีธรรมแต่แล้วคนมีความรู้ในธรรมแล้วยังนำธรรมนั้นมาปฏิบัติก็ยังเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่เชื่อว่าคนนั้นมีธรรมยังไม่ได้แต่เมื่อใดเพียรพยายามฝึกหัดปฏิบัติสม่ําเสมอแล้วจนกว่า ใจตัวเองเข้าถึงสมาธิพุทธิยากลสานว่าถ้าต้องการให้ตัวเองเข้าถึงอย่างนั้นต้องปฏิบัติตามตามองค์มักองค์มักซึ่งประกอบด้วยองค์8 ป, ประการมักประกอบด้วยองแปดนักมักแปลว่าทางดําเนินแะทางปฏิบัติแล้วประกอบด้วยองแปดถ้ากระจายออกไปเมือว่าโดยย่อก็คือสินสมาธิปัญญา เมื่อขยายออกไปกันที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบความเห็นชอบเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจากคนอื่นหรือได้ยินได้ฟังจากกำนับตํราจะให้เราใช้ข้อที่สองนี่สัมมาสังกปะพันสอนให้ดำริหาเหตุหาผล ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้วนั้นให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจมาด้วยหลักเหตุผลนั้นก็เป็นทางให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้บ้างแต่อย่างไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทั่วไปแต่สัมมาทิฏฐิในองค์มรคนั้นต้องใจได้รับความสงบแล้ว ทำใหมันเกิดขึ้นต่างหากแลในข้อตว่ามันเห็นว่าเห็นว่านี่คือทุกนี่คือสมุทยัยนี่คือนิโรดนี่คือมรรคต้อเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปป์ปตัวปัญญานะครว่าเราได้ยินได้ฟังสิ่งใดใดคนอื่นเขาลอยฟังหรืออ่านจากต ำ, ตำาราแล้วก็มาใช้สัมมาสังกัปปะ คือ้ ค, ควรหาเหตุหาผลในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเทียบเคียงกับสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมา <c oughs> ก็พอจะมีเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่หายสงสัยทีนี้จะให้หายสงสัยนั้นใจต้องเข้าถึงองค์มรรคปฏิบัติองค์มรรคสุดท้ายสามองค์คือสัมมาวายามะเพียนพยายาม ในหลากว่าเพียนระวังบาปไม่ให้เกิดเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียนยังกสศนให้เกิดขึ้นเพียนรักษาโกสุนที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมคำว่าบาปในที่นี้หมายถึงบาปหยาบๆด้วยแล้วก็หมายถึงบาปในใจด้วยบาปในใจหมายถึงความรักความชังความยินดีความยินร้ายความฟงุงซัานั้ำการต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นในใจ เราระวังอารมณ์ชั่วอารมณ์ลมไม่ดีนะั้นมันเกิดขึ้นเรียกว่าป้องกันบาปพูดง่ายๆก็ป้องกันความโกรธความโลคความหลงไม่ให้เกิดขึ้ น, ร, ร, ร, นระวังไว้ที่นี่มันอันนั้นระวังในสิ่งที่มันอยากไม่เกิดแล้วท่านก่อสอนให้ละสิ่งที่มันมีอยู่นั้นแนละในใจของเราด้วยจริงว่าเพียนละเอาไปเพียนสร้างกุศลคือเพียนตั้งสติ แล้วควเพียรรักษาสตินหมได้ด้วยอันนี้เป็นครอบปฏิบัติที่วัดในเรื่องความเพียรท่านนี้ความเพียรอันนั้นเมื่อเราลงมาเบอร์ปฏิบัติมันก็เป็นเลยนี่ใช้ความเพียร ท, ทําดีเป็นอ่ะท่านสอนให้สร้างสัมมาสติความเพียรพยายามตั้งลงที่สัมมาสติแปลว่ารักษาใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่หาเอาหลายอย่าง นี่ใช่ไหมให้ตั้งใจไว้ในกรรมฐานให้มีอารมณ์อันเดียวเรื่อว่าสัมมาสติคือให้ใจระลึกนึกได้เฉพาะสิ่งเดียวๆที่ติดเรื่องทำอันนี้เป็นเฉพาะเป็นเรวให้ตั้งในกรรมฐานอย่างที่สมาพาปฏิบัติอยู่เนี่มาใช้คืออนาป่ากึ ล, ลมหายใจเข้ากับพุทโธเพื่อให้ผูกใจไว้ในสิ่งนั้นอันเดียว ไม่ให้เอาหลายอย่างถ้าเอาหลายอย่างแล้วใจจะไม่สงบเป็นสมาธิดังนั้นเราตั้งใจว่าในอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจของเราเราสูบลมให้ลมเอาลมหายใจเข้านับเป็นเครื่องอยู่สูบลมหายใจเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆก็พุธสูบเข้าไปว่าพุธแล้วก็ปล่อยว่าโธสูบก็ไปว่าพุธปล่อยว่าโธ ทำอยู่อย่างนั้นเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นนั้นใช้เวลามากข้ามากกว่าเป็นการสร้างอันดับแรกเรียกว่าเป็นการสร้างสติคือให้ใจมันอยู่กับอาการนั้นนั้นเมื่อเราทาอย่างนั้นมาข้าม า, ข, า, มาข้ามันทอแล้วใจก็จะสงบลงตั้งมั่นลงท่านเรียกว่าเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วเรียกว่าสัมมาสติเออสัมมาสมาธิ ว่าถึงอาการที่มันเป็นไม่ว่าตามหลักของว่าอาการที่มันเป็นอย่างว่าเรากําหนดลมหายใจอคอกอย่าพูโตพูดโตพูดโตให้เป็นเครื่องดูเป็นการสร้างสติเี่ยถึงเวลามันจะเป็นทีนบางคนอาการที่จะมันมันจะใจสงบลงนี่เหมือนกับอาการที่เคลืเหมือนก็นจะหยัดเหมือนกับวันจะหลับบางคน่ะแล้วมันก็วูบลง วูปลงไปทีน่าใจหรือมันวูบลงไปแล้วแล้วมันมีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาพอวูบปบลงไปสู่จุดที่ตั้งแล้วแล้วก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อนี่ใจรู้จักใจโดยขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิหรือจะใจตกลงสุ ข, ขวงังเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิ เมื่อมันเข้าถึงอย่างนั้นจิตมันขึจะแน่ยอยู่ในจุดนั้นเลยเป็นหนึ่งเลยทิเนี่ยเรียกว่าเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งในจุดนั้นนี่ถ้าคนกําหนดลมหายใจเขาพูดโผพูดโถดังกล่าวแล้วข้านี่ถ้ามีอาการวูาลงเหมือนกันระวงังวบลงไปแล้วเหลงบุบมันลืมไปเลยดิมิดไปเลยอย่างนั้นหลับไม่ใช่จิตลงสุขะบางนคนบุบแล้วก็ หลับไปเลยลืมตัวเองเลยเรียกว่าไม่รู้ใจรู้ใจทั้งนั้นอย่างนั้นใช้ไม่ได้นั้นในการปฏิบัติเพื่อให้จิตเราก็ต้องระวังให้ดีคือแยกเผลอลดลมหายใจพูดโธพูดโทเราอย่าทําให้มันช้ามาักให้มันเร็วนักให้พอดีให้ใจของเราอยู่ในจุดนั้นรู้เรื่อยไปอย่าไม่ต้องวงังวางปล่อยวางปลวา่ว า, ว า, ว า, ว า, วา Lanc. ต้องให้ใจเป็นสมาธิยังไม่ต้องไปว่าละถึงคํามันจะเป็นเอง เขาทำให้มันพอทายความเพียร ท, ท, ทําไอ้บทสองไอ้บทให้มากไอ้บทที่หนึ่งคือนั่งนั่งหลับตายได้กําหนดลมหายใจพูโทพูโทพูโ ท, โทนั่งครั้งแรกนั้นเรากําหนดไว้อย่างน้อยต้องสามสิบนาทีแล้วก็เพิ่มคือจนถึงได้ชั่วโมงนนเราว่างที่เรากําลังปฏิบัติด้วยองกระทำอย่างนั้นมันต้องเกิดผล อย่าไปสำคัญว่ากเราปฏิบัติไม่ได้ผลได้ผลในการปฏิบัตินั้นผลของการกระทำนั้นก็คือความรู้รู้สึกสบายกับรู้สึกไม่สบายไม่สบายทางทางกายเช่นว่านั่งกำนวดลมมากเข้ามาเข้ามาเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาปว ด, ปวดอะไรกัปวดทรมานก็แล้นั่นก็ผลมันเหมือนกันผลพระเรานั่งอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้น นี่เรากําหนดเวลาเราแชทสมมติว่าเราจะนั่งสามสิบนาทีก็ต้องให้ถึงสามสิบนาทีแม้มันจะเปิดปวดรอดแล้วถ้ามันไม่ทรานเกนเราก็พลิกแพงได้แล้วกําหนดอารมณ์นั้นต่อไปให้มันได้สามสิบนาทีหรือชั่วโมงตามกําหนดที่เราตั้งไว้เมื่อเราทําได้ตามนั้นทุกๆุกครั้งไปแล้วนะเรียกว่าสัจจะอธิษฐานมันเกิดขึ้น สัจจะแปลว่าพอพฤ่งสิ่งใดก็ให้ได้จริงตามมันอัดทิฏฐานแปลว่าตั้งไว้ตั้งไว้เราจําเป็นต้องกําหนดลมหายใจขอพุทธโฆโตให้ได้หนึ่งชั่วโมงเรากําหนดไว้อย่างนี้เรียกวัดทิฏฐานเมื่อเราทําถึงได้อย่างนั้นจริงเรียกว่าสัจจะเกิดขึ้นแล้วถ้าทําได้ครั้งที่หนึ่งที่สองขึ้นไปมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นแล้ ว, ลวเราทุกคนให้ทําให้มันถึงสวสดความเพียร น, นี้ ไอ้แบบเดินเราก็กําหนดอย่างเก่านะกําหนดณลมหายใจพูดโทรพูดอย่างเก่านะอันนี้จะทําได้มากอย่างน้อยก็ถ้ามันมีที่เดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงแลถ้านั่งก็ไปนั่งสักหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปเมื่อเราเพียพยายามตั้งจิตตั้งใจรักษามันจะไปไหนใจนจะไม่สงบอันนี้เราทําน้อยเปินไปมันไม่พอเปียเหมือนกับคนขุดน้ําบ่อ ขดลงไปยังไม่ถึงที่มันก็น้ํามันก็ไม่มีน้ํามันก็ไม่ออกเพราะมันไม่ยังไม่ถึงตาน้ําถ้าขดลงไปไปมันมันถึงที่มันน้ําก็ต้องออกมาให้เราปฏิบัติกันเหน่อยเมืม่อเราทําไม่ถึงไม่ได้ใ น, นในการกระตํขาของการนี้เรียกว่าความเพียรกําหนดลมหายใจพุทธพุทธพุทธพนะุทธให้เรารู้อยู่ในสิ่งนั้นอย่าให้ใจวัดไปที่อื่นคือว่านี่เราเป็นสัมมาสติ เป็นการตั้งใจถูกต้องแล้วไม่ผิดเนือการตั้งใจไม่ผิดางแล้วมันก็จะลงสู่ความสงบเข้าถึงสัมมาสมาธิใจวืบลงถ้ากาหนดลมหายใจข้อก็ครั้งแรกกันหายใจมันหยาบแต่ว่านานเข้านาน้าลมละหายใจเขาเราจะเอียดอ่อนไปตามลาดับเมื่อเราเอียดอ่อนแล้วก็จะรู้สึกสบายไปตามลำดับนั่นแหละตอนนั้น เมื่อลมละเอียดอ่อนลงแล้วเมื่อไหร่ตอนนั้นนาใจจะสงบลงแต่อาการถ้ามันลมละเอียดอ่อนลงมากขัต่ระวังตัวให้ดีถ้าไม่ระวังตัวมันจะเป็นถิ่นมีท่ามันจะวุบลงสู่ความหลับถ้าว่าเราตั้งใจดีๆตั้งสติดีรักษาใจก็วืบลงเหมือนกันแต่มันไม่หลงลื ม, มจะรู้สึกใจขึ้นมาถ้าใจมันตั้งมั่นลงเพิบเข้าถึงสู่พวังมาแล้วเนาะ มันไม่อยากแล้วทีนี้มันรักษาของมันเองตัวสติเข้าไปคืบข้างในแล้วถ้าติดรักษาใจคมครองใจแล้วทีคือความรู้รู้ใจไปรู้จักใจคีนเป็นเครื่องคมคองใจรักษาใจแล้วเปรียบเหมือนกับพ่อแม่รักษาลูกเลยตัวสติสัมปาจัญญาเหมือนกับพ่อแม่รักษาลูกน้อย ลูกน้อยมันไม่เดียงสาต่อยให้มันเล่นตามสบายแต่ต้องแม่ต้องระวังหถ้าไม่ระวังก็ไปวิ่งไปวิ่งมาเป็นอันตรายนี่เราก็ประคองใจรักษาใจของเราไว้ดีใจใพังเผอเ ม, มื่อไหร่มพังเผยมันก็ลงสู่ความสงบตั้งมัน่นไปลงสู่ภวังได้แล้วตั้งมั่นแลวกวสัมมาสมาธิีสัมมาสมาธิเข้าถึงกิจจะเป็นหนึ่งข้อมันเป็นหนึ่งนี่เราก็เข้าถึงความเป็นหนึ่งนั้นที รักษาความเป็นหนึ่งให้รู้ในจุดรู้นะั้นไปก่อนให้มันมัน่นจำจุดนั้นไว้ดีเวลาเข้าถึงแล้วเราก็จาหลักนั้นได้แล้วพอมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี้ยจะทำต่อไปถ้าใจเคยลงจุดนั้นแล้วมันไม่อยากเข้าถึงพอเข้าที่พอจะเข้าที่สงบแล้วม้วนขาไปจะนั่งภาวนานั้นวใจลงสู่ความสงบแล้วมั่นแล้ว ย่งไม่ในพุทโธทำโมสังโฆไม่ด้สูบลมเลยสําใบมันเข้าที่เขามันเพราะมันเคยเคยลงที่มันเหมือนกับเราจําที่หนอนของเราได้ในบ้านของเรามันมีที่นอนของเราแม้กลางคืนมืดมืดเราก็เข้าไปได้จําได้ว่าที่นอนเราอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ที่นั้นก็เข้าไปถึงได้อใจของเราเคยลงสู่ภังะเขามันอะไมันก็เหมือนกับมันจําได้หลักๆเราเข้าไปสู่ฐานมันอันนี้เป็นฐานเบื้อง เบื้องแรกที่เราต้องเพียรพยายามเพ่อทต้องทําให้มันถึงจะทําให้มันถึงได้จําเป็นต้องอาศัยความเพียรความพยายามส่วนการศึกษาการได้ยินได้ฟังแนละอ่านตำรับตําราเนี่ยพอได้แนวทางในการปฏิบัติก็ใช้นี้ อ, นอย่างนี้ได้ให้มันมากเมื่อมใจมันเป็นแล้วนี่ยนะจะไปสือ่อสายขึ้นมันก็ไม่อยากหรอกพอใจมันตั้งมั่นอ่านตีนิวาลักต่อไป ใจตั้งนั้นเป็นสมาธิใจเป็นหนึ่งนะสำเร็จภูมิสมถะนี่ว่าสมาถภาวนาคือใจสงบตั้งมันแล้วมันเป็นภาวนาแล้วสมถะภาวนาแล้วทีนี้บางคนนี่บางคนน่วิปัสนาญาณมันจะเกิดขึ้นไหนนั้นเลยแต่บางคนมันไม่เกิด ใจสงบ ก, ก็เป็นหนึ่งไปรู้เฉยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบุคคลบางคนชอบใช้ความคิดพี่ารณาต่างๆเคยใช้ปัญญาเคยใช้ความคิดมาแต่ที่บางคนไม่ไม่ชอบใช้ความคิดพอใจสงบแล้วก็ไปนิ่งๆอยู่ปัญญามันก็ไม่เกิด เมื่อมันเราก็แต่และาขอเราก็ต้องรู้ตัวเองเมื่อใจของเราลงไปแล้วมันเป็นนิ่งรู้อยู่ก็สแสดงว่าใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วต่อจากนั้นเราต้องสร้างหลักวิปัสนาที่ะเรียกวิปัสนากรรมฐานไม่เรียกวิปัสนาวิปัสนานั้นมีสองข้อใาญ่คือวิปัสนากรรมฐานกับวิปัสนาญาณวิปัสนากรรมฐานนั้นหมายถึงการกําหนดรู้กําหนดพิจารณา คือเมื่อใจของเราเข้าถึงจุดแล้วเราก็กำหนดตรงรู้นะมาอ๋อนี่ใจมันรู้จักแล้วนี่คือใจแล้วกำหนดรู้อีสิ่งที่ประกอบอยู่ในใจนั้นเรียกว่าเจตสิกมีเจตสิกประ ก, กรอบอยู่ที่ใจนะคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนันเรียกว่าเจตสิกมันหอ่หอห่อห้มอยู่ที่ที่ใจนะ หอหุมอยู่ที่ดงรู้ไงพอใจตั้งมั่นมารู้ใจละอออนี่ใจทีเราก็กําหนดรู้ขึ้นมาไหนไหนเป็นเวทนากําหนดรู้อาการพอกําหนดขึ้นมาแล้วก็นิ่งรู้สังเกตว่าอาการเป็นเวทนามันก็จะรู้ขึ้นมาเมื่อกําหนดอันรู้อันนี้ล่ะกําหนดรู้ต่อไปไหนเรียกว่าสัญญาไหนว่าสังขารไหนเป็นยากําหนดจนมันรู้พอมันรู้แล้วกลับมานิ่งรู้อยู่เฉย นี่คือหลักตั้งหลักที่เราไปทำงานเสร็จสรรพแล้วก็กลับมาตั้งอยู่ที่เก่าก็กำหนดรู้ได้เวทนาสัญญาสังขารเวียได้ขันสี่รู้ขันสี่ขันสีนะ่นั้นมันห่ออยู่ในใจในพร้อมบริบูรณ์แล้วแต่ว่าขันอีกตัวที่หนึ่งเรียกว่าขันรูปรูปขันมันเป็นเปิเปือกใหญ่นี้ ถา้ากำหนดรู้ได้แค่นี้ยังไม่รูปยังไม่รู้รูปขันเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ต้องกําหนดรู้กายนีย่ดึงความรู้สึกควบกายพับั้งแรกกับกาหนดไว้ทั้งหมดนี่ทาความรู้สึกตัวทั้งหมดในควบตัวเองไว้เหมือนกับเอาเอาสมไปงอมไกยายนี่ยที่ตะมาเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆทาความรู้สึกให้มันทุ่ขเอาไว้ที่กายในขณะที่นั่งนะั่ะ จับจุดไว้อย่างก่อนจับไว้เฉยๆก่อนเมื่อจับไว้อย่างนั้นพอจิตมันจูอย่างนั้นเราจึงนึกถึงภาพของกายนึกถึงภาพของกายาไหนว่าผมก็นึกถึงผมบนศีรษะทีไหนขนไหนเล็บไหนฟันนี่ก็เราก็นึกถึงอากาศนี่แล้วก็มาหยุดมารู้อยู่รู้อยู่ที่กายนะกำหนดกายรู้กายไว้อย่างนั้น ก็เป็นการตั้งสมาธิไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดอีกเมื่อเราทำมากเข้ามาแล้วหยุดไปกำหนดดวงรู้อย่างเดียวไม่ต้องกำหนดรู้กายละวกายเราก็ทำแล้วเรียกว่าขันห้าเรากำหนดรู้ตามกองเป็นจริงแล้วแม้แมงยังจั ง, จงมันยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็รวมเข้าไปสู่จุดรู้เข้าสู่สมาธิให้เป็นหนึ่งรู้ เมื่อเรากําหนดรู้ผ่านสิ่งต่างๆในขันเลืองขันห้าเรากําหนดรวมข่าวนี้ละ่ะวิปัสสนาญาณมันจึงจะผุดขึ้นจริ ง, รงเกิดรู้เห็นขึ้นมาเองวิปัสสนาญาณเกิดนั้นบางคนน่ะเกิดมีความรู้แจ้งขึ้นมาอ้อมองเห็นมนุษย์โลกทั้งหมดจะเป็นมนุษย์ ชายหญิงขนาดไหนมีอำนาจวาสนาสูงขนาดไห น, นมนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่มีใครดำดำหลงอยู่ยงั้นตลอดนเปลี่ยนสภาว่าเป็นเด็กเป็นนึกเป็นหนุ่มเป็นสาวสุงตระกักับตายไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้ดันั้นมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาจะจะมาเอานั้นเอานี่มีสิ่งใดที่จะเอาได้ไม่เคยเอาได้อะไรสักอย่างเดียวจึงจะมาะอาศัยกันนี้กัน รวมแล้วก็สิ่งที่เกิดผลขึ้นในจิตคือไต่หลักคืออันนี้จังทุกอย่างนั่นแมันปรากฏขุดขึ้นในจิตนั้นสังขารทั้งหลายปรากฏขึ้นเกิดเบื่อหน่ายคลายกำลังทุกอย่าถ้าเห็นตามผมเมื่อมันเกิดรู้เกิดเหน็นขึ้นมาอย่างนั้นมองเห็นสังขารทั้งหลายเป็นเพื่อเป็นมือบางทีเกิดมองเห็นเป็นทุกกองทุกต่างๆมองไปไหนก็มีแต่ทุกยอยู่อยู่น่นก็เป็นทุก ไปนานแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเบื่อทุกข์ใหญ่ทีเนะ่ะอย่างนั้นก็มีแล้วก็เป็นทุกข์คนสุดท้ายแล้วไม่มีที่จะอยู่มันมีแต่ทุกข์อ่ะเอาอแล้วเดือดร้อนอีกแล้วก็ต้องกําหนดดงรู้อีกใหม่คือเราจะไปตั้งอันนั้นเพียกแต่ว่าเป็นทางเราใช้ปัญญาทัศน์กำหน ด, ดโรู้แล้วมันเกิดขึ้นทีนะ่ะเกิดขึ้นรู้สึกว่ามองเห็นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นเราอย่าให้ใจของเราไปตั้งอยู่สิ่งนั้น รับรู้แล้วซะแล้วก็คืนเข้าสู่สมาธิของเราเข้าสู่ดวงรู้เน่ยเข้าสู่จุดรู้เนะี่ยเข้าสู่จุดรู้ใหม่อันนี้ที่วายฝ่งนี้ก็มีตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งด้วยจะทํางานอยู่ที่องจะเป็นที่โรงพยาบาลของของกองบินที่สิบสี่ด้วยเนี่ยอันนี้มันไปภาวนาวเองภาวนาวันนี้ก็มาหาแล้วก็นแนบวิธี ค่านี้มันพทธองคใจมันคงจะได้รับความสุขมันมองเห็นแต่ทุกมองอะไรก็เป็นแต่ทุกเลยไม่มีที่จะอยู่เป็นทุกเหลือเกินในนี้เราเรียกว่าไม่รู้รู้จักที่วางทักวางเหมือนกันสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ก็เกิดมาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีความเกิดขึ้นเป็นเวลาสิ่งนั้นทั้งวาง ม, มีความดับไป็ลยมองเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีที่ ที่จะอยู่ที่จะอาศัยไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่จะึกเอาอะไรได้เลยเกิดเบื่อหน่ายครั้งอยากห น, นีแล้วหนีมันพ้นคราวนี้กัถ้าไปปล่อยให้ใจเป็นอาการเล่านั้นมันก็จะเป็นทุกข์อีกอะไรจึงย้อนมาส ง, งบจิตอีกหมายเข้าสู่ดวงรู้พับรู้ใจเป็เครื่องอยู่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทางนั้นมันก็เป็นเพียงทำมารมชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมา แล้วจะจะไปเอาธรรมารมานั้นนั้นมันไม่ได้ใจรู้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วรู้ใจก็มารู้ใจอย่างเก่ามารู้ใจนะมไม่ใช่เอาใจมารู้ใจเพราใจของเราเคยมีจุดตั้งมีที่หมายแล้วหยุดให้ใจมันไปรู้อาการนะกลับเข้ามามก็เข้าที่มั่นของเองต่อจากนั้นนะ่ะเรา จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็รู้ใจนี่เป็นหลักล้วไม่นั่งภาวนาก็รู้ใจไปที่ไหนไหนก็รู้ใจมันก็ไม่เป็นหาล้วทีนีน้นี่หมายถึงว่าหลักใจได้รับความสงบแล้วมันเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจะเอาปัญญาเป็นเป็นเครื่องอยู่นะั่นไม่ได้ต้องเอาเอาสติเป็นเครื่องอยู่จะเอาสมาธิเป็นเครื่องอยู่ก็ไม่ได้ คือจะรวมลงอยู่ด้วยสมาธิใครจะมาอยู่สมาธิได้ตลอดไม่ได้กต้องออกจากสมาธิมาอยู่ด้วยสติต้องเป็นอย่างนี้นีนตัวอย่างมีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนั้นความสงบของท่านน่ะลึกมากแล้วเกิดท่านเคยเล่าให้ฟังท่านไป อยู่ป่าแห่งหนึ่งสถานที่นั่นเราโอ้เมงงูผิดมากแล้วเกินต้องระวังเฮีก็ไปพักอยู่ในะสถานที่นั่นอ่ะอ้าวเีตอนเช้ามาเข้าที่นั่งภาวนาใจสงบตั้งแต่ตั้งแต่หัวค่ำใจไม่ออกอยู่อย่างนั้นเลยพอถึงแจ้งสว่างถึงเวลาแล้วใจก็อยู่ยนั้นใจก็สงบอย่างนั้นแต่ว่า มันก็ทำหน้าที่ตามที่เคยทำพอถึงเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ไปอุ้มเอาบาทถืออาบาตก็ถับหายบาทออกบินอาบาัไปในบ้านญาติโยมทั้งหลายก็มาใส่บาทตามนั้นก็ไปรับบาทมาตามลาดับขณะนี้เมื่อรับบาทเข้ามาโดยลาดับนจนกลับถึงถึงหวัดถึงสถานที่พักมีโยมมารับบาท ขอรับบาทรเขารับบาทจากอะไรไปบาดนั้นฝาบาทไปกระทบกับบาทนั้นปั๊กใจจึงถอนจากสมาธิท่านมาเนี่ยอยู่ใจอยู่ในสมาธินึกขนาดนั้นอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิท่านแรงมากแต่ว่าพวกเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าให้รู้จักแนวอันนี้ไว้คือเมื่อใจของเราหนาะได้รับความสงบปเป็นสมาธิ ตั้งมันองไปแล้วเราไม่ได้ยุ้ยด้วยสมาธิทิ่งที่มันเกิดมันมีมันเป็นขึ้นเนอย่างนั้นนอกจากมีหน้าที่อย่างแล้วกครู้ใจของเรา่ไม่ได้ไปเอาให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่าทั้งขันทั้งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แม้ตาเกิดขึ้นมาในกิจอย่างก็ไม่ได้จะปล่อยให้ใจไปตามอย่างนั้นไหมที่ท่าเนเรียกวิปลาสหรือวิปัสนูนะ่ะอันนี้แหละ เขาปล่อยใจไม่กําหนดดวงรู้มันเกิดความรู้ความเข้าใจก็ปล่อยใจไปตามจะไปอาวิปัสนาจะเอาปัญญาไม่ได้แม้สมาธิเราก็เข้าสู่ความสงบเข้าสมาธิหมายถึงว่าประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้นิเป็นหนึ่งนั่นเดียวว่าเข้าสมาธิ ให้จิตตั้งมันเป็นหนึ่งครานี้อยู่ด้วยสติปล่อยวางไปหมดเลยมีความรู้สึกอยู่แค่ไหนก็เพียงเราก็รู้รู้ใจเท่านั้นไม่หล่เข้านอกเข้านั้นพักปฏิบัติอย่างนี้เราทําไปก่อนแล้วก็จะรู้อ่าตอนนี้ไปทุกคนก็เข้าที่นั่งภาวนาสงบใจนะเอานั่งใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างที่แนะมุ่งจนฝึกใช้ลมหายใจคลอองนั่นอนะ่ะสูบลอมหายใจกับพูดให้มันสบาย แล้วก็ปล่อยโทรโทรเขาเ้าไปมาพูดบอกว่าโทร อ, อยย่อย่างนั้นออย่อย่างนั้นส่วนมันจะเป็นยังไงไงไม่ไม่ต้องห่วงอันนี้เลวกว่าเราสร้างสติส่วนจะเป็นภายหน้ามันเป็นยังไงถ้ามันเป็นไปเอง